มาอีกหนึ่งเรื่องครับอีกประมาณสักสิบห้านาทีสำหรับเรื่องนี้เหลือเฟือเหลือเฟือนะครับเพื่อนผู้กลับมาแบบไม่หวังดีเรื่องนี้เป็นของน้องดาเช่นเดียวกันใช่ครับน้องเขาเล่าให้ฟังว่าอย่างงี้พี่เมื่อสมัยที่เขายังเรียนอยู่มัธยมโรงเรียนเขาอ่ะนะเขาเคยมีครั้งหนึ่งเขาไปบ้านเพื่อน มันจะเป็นบ้านเพื่อนของกลุ่มเขาที่เป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยแล้วเขาจะต้องไปรวมตัวกันประจําอืำพอดีเวลนนั้นเขาเข้ามาถึงตรงหน้าปากซอยเข้าหมู่บ้านเข้าบ้านเพื่อนเขาเนี่ยเขาก็เรียกเพื่อนเขาชื่อท่า อ, อันนี้เขาบอกเ อ, อ่ยชื่อได้เลยนะเขาบอกว่าท่าท้าตะโกนดังๆอ่ะแล้วผู้ชายคนนั้นก็หันมามองแล้วก็เฉยแล้วก็ขี่รถไปเขาก็เหมือนกับว่าเดินบ่นเลยว่าเออแทนที่จะรับหน่อยเนาะเขาอุตสามาแล้วพูดด้วยทําเป็นแบบหันมามองแล้วก็ไม่พูดออื ก็เมือนจะคนสนิทก right ันแล้วทําเป็นยิงใส่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บ่นแล้วเขาก็ไปพอเข้าไปถึงในบ้านเสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่าเห็นไอ้ทาไหมซึ่งเพื่อนเขาอยู่เป็นกลุ่มเลยนะอืมเห็นไอ้ทาไหมเมื่อกี้คัสมาแล้วมันก็ไม่ตอบมันก็ไม่หันอะไสักอย่างแล้มันหันหน่อยเดี๋ยวก็ไม่พูดเพื่อนๆเขาก็นิ่งก่อนตอนแรกอพอน้องดาเขาบ่นเสร็จเพื่อนเขาเลยบอกว่าอยากรู้ไหมล่ะว่าไอ้ทาไปไหนครับเขาก็บอกว่าอยากรู้ดิแล้วมันไปไหนอ่ะจะจะจะจะตั้งอย่างจะจะจะ แล้วก็รอจนผ่านไปสะพานหนึ่งเขาก็พากันไปโรงพยาบาลน้าก็ถามไปหาใครอ่ะบอกไปดูเองเดี๋ยวก็รู้ออืพอไปถึงพุ๊ไปดูปรากฏว่าไปเจอเพื่อนที่ชื่อชาเนี่ยเสียชีวิตนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอแล้วหน้าเนี่ยยุบเข้าไปครึ่งหนึ่งด้วยการที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วตกลงไปข้างทางแล้วไปกระแทกกับขอบเสาอ่าหน้ายุบไปครึ่งหนึ่งตายตั้งแต่สามโมงแต่ว่าความที่ว่าตกลงไปในน้ําด้วยคนไปเจอในห้าโมง เวลาที่น้องดาเขาไปเจอเนี่ยประมาณห้าโมงครึ่งอันนี้คือช็อตแรกครับช็อตแรกนะเขาก็เริ่มยอมรู้ว่าเฮ้ยสงสัยมันมาลาหรือความคิดเป็นเพื่อนก็คิดแค่นั้นนะนะหรือว่ามันอาจจะยังไม่รู้ตัวครับพออีกวันวันสองวันเนี่ยเขาไปโรงเรียนกันออืเพราะว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันและเรียนห้องเดียวกันเขาบอกว่าห้องของเขาเนี่ยจะจัดโต๊ะก็น่าจะจัดเหมือนอย่างประเทศไทยเราแต่ว่าของเขาจะเป็นแนวขวางของเราเป็นแนว แนวแนวตรงเข้ามาเรื่องของเราจะเป็นแนวตั้งใช่ไหมโรงเรียนเราเนี่ยจะเป็นแนวตั้งเป็นแถวเป็นแถวแต่เขาจะเป็นแนวขวางจากเป็นห้าแถวเป็นแนวขวางโต๊ะียงๆติดกันแล้วไอห้าแถวเนี้ยเขาจะนั่งกันอยู่แถวกลางอยู่เป็นประจาแถวกลางอยู่กรุงกลางอยู่นั้นอ่ะแล้วเพื่อนผู้ชายคนนี้จะต้องนั่งตรงกับน้องดาด้านหลัง ท, ทั้งครับอันนี้พอทุกคนในห้องแบบว่ากาลังทําอะไรกันอยู่อยู่ดีดดดมันก็ เริ่มมีอาการากแตกมีเสียงบ้างอะไรบ้างมาจากโต๊ะตรงนั้นน่ะเขาก็เลยแบบเริ่มเริ่มนะแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนเริ่มที่จะหนีแต่กลุ่มเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่เพื่อนสนิทเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยอย่าเล่นอย่างนี้เดย์<ถ>คนมาเรียนนะเว้ยปรากฏว่ามันมีหนังสือหรือสมุดอะไรสักอย่างอยู่บนโต๊ะของเพื่อนคนเนี้ยโต๊ะหนึ่งนะเพราะว่าแฟนของแฟนของคนที่เสยืนก็จะนั่งเรียนอยู่โต๊ะทีติดกันนั่นแหละ เขาก็ออกมาตั้งไว้บอกว่าเอาหนังสือมาคืนแหละเคยยืมไว้อืมยังไงก็มาเรียนด้วยกันทุกวันนะคนก็มองว่าออ ไ, ไอ้นี่ทําเรื่องแปลกเลยไอ้หนังสืออันนั้นที่เขาวางไว้บนโต๊ะของคนที่เสียชีวิตเนี่ะมันเปิดทีละหน้าออพี่ด้นึกภาพถ้าเกิดเราก็เป็นลมพัดมันต้องอุ่ดไปเป็นเ็นก้อนหรือสามสีหน้าแต่นี่มันเปิดทีละหน้าปับปับปับปับ ทุกคนแบบว่าวิ่งออกไปอยู่หน้าข้างหน้าหมดทั้งตอนเนี้แต่คิดว่าไม่กลัวนใะนกลุ่มนี้นะเริ่มไปอยู่หน้าห้องแล้วแล้วหนังสือก็ยังเปิดอยู่ปรับปรับปรับทีละแผ่นหนึ่งในกลุ่มของนาดาเป็นคนที่ชอบท้าทายแต่กลัวนะแต่ชอบเหมือนอแบบว่าจังหวะอยู่ด้วยก็เลยปากเก่งเขาบอกอเขาพูดว่าเฮ้ยถ้าทันอย่างเงี้ยเดี๋ยวงานตรงงานจบไม่ไปน้เว้ยเพราะว่าขนาดมาเรียนอย่างเรียนไม่ได้เลยคนจะเรียน แต่าทานี้ได้เพื่อนเพรากลัวกันคือมันบอกว่าไอ้หนังสือที่เหลืออยู่ก่อนที่มันจะหมดเล่มอ่ะมันปิดลงไปทั้งทั้งที่ไม่มีคน <c oughs> สนั่นเลยออืเหมือนคนปิดลแล้วตกอาจารย์ก็เดินเข้ามาอะไรเห็นทุกอย่างอย่างนี้การทุกอย่างทั้งหมดอาจารยปรากฏว่าอาจารย์ก็วิ่งไปก่อนเป็นที่บึงให้เด็กนักเรียนได้มากเลยที่ผมฟังเข า, านะวิ่งไปก่อนพอวิ่งไปถึงเสร็จปุ๊บ ก, ก็อีกวันหนึ่งเขาไม่ไปงานศพ ก, กันออื แต่ว่าเอ๊ะเอาไงดีวะมันเพื่อนเราเนาะตัดสินใจไปพอไปเสร็จเนี่ยในงานศพ <ciğim. S 2> เนี่ยมันก็มีอาการประหลาดๆจนที่พอมิตรรู้สึกว่าเฮ้ยไอไอไอบรรยากาศอย่างเงี้ยมันไม่อยากอยู่แล้วว่ามันอึดอัดทําไมเพื่อนจะต้องทําอย่างนี้เป็นเพื่อนกันนะทำไมต <c oughs> ้องทําให้อึดอัดด้วยเขาก็เลยพากันกลับพอระหว่างที่กลับบ้านที่ขี่มาถึงปากซอยคือมันจะเป็นบ้านขครบ้านวันบ้านก็ไม่ไกลกันไงเห็นผู้ชายคนนี้ยยืนชี้หน้าอยู่ออืเหมือนว่าโกรธว่าเอยมีกลับจากงานศพกูทำไม ปรมาณอย่างนี้นะบ่นยินชี น, นาเลยทีหน้าเห็นทั้งหมดทุกคนเลยชัดๆเลยไม่มีใครจ้ากลับแบบคนเดียวต้องไปนอนรวมกันหมดท่านี้ยพอหลังจากเหตุการณ์นั้นมามันจะมีการทำเขาเรียกอะไรนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมจะส่งรูปไปให้วิทย์ดัดูเลยเขส่งรูปมให้ผมดูด้วยนะมันจะเป็นพี่ทีของทางทางประเทศเราเคขาคือการทําไปเหมือนบ้านเล็กๆแล้วก็มีผ้าผ้าทําแต่งให้สวยงามนะพี่ออืเหมือนจะทําบุญให้กับคนตายอะ่ะครับ่ันนี้เขาก็ทําแล้วมันจะมีคือเอาทรา มาใส่กระดงระห ว, ว่ังไว้ตรงตร ง, ตรงกระไดาทางขึ้นอนบ้านหลังเล็กนะพู้ง่ายเหมือนเหมือนสารเล็กๆที่เราทำอะ่ะแต่เป็นสารไม้ที่ดูแบบมาตรฐานหน่อยอืเขาเอาตายมาวางไว้เขาต้องแต่งจะวัดตามความเชื่อของเขาคือเขาต้องการจะวัดว่าคนตายน่ะมารับในสิ่งที่เขาไหว้ในสิ่งที่เขาให้ไหมทั้งจะเป็นอาหารเอ่ยหรือว่าบุญเอ่ยที่ทํากันวันนั้นแหละถ้าโดยส่วนใหญ่แล้วอย่างมากก็จะมีรอยเท้าบางๆหรือว่ามีรอยอะไรลงไปให้รู้ว่า เออมาแล้วนะแต่อาจจะไม่เประการชัดเจนเพราะว่าจากที่พลายที่มันเรียบๆอะ่ะก่อนที่ทุกคนจะเดินออกไปห่างๆอะ่ะ<ฆ>แล้วมันไม่มีอะไรเป็นไปแตก ต, ต้องอเลยแล้วมันก็ยุบลงไปอย่างนี้มันก็น่าเชื่อแล้วละ่ะออืแต่ปรากฏว่าในขณะที่เขานั่งมองไปที่กระด้งที่เป็นทรายอยู่ข้างล่างอะเลยทำทีธีเลยเสร็จมันเป็นลักษณะทรายกระจายออกเหมือนคนเหรเท้าไปย่าแล้วก็ยีอ่ะเหรอต่อหน้าต่อตาคนคนั้นเลยอะฮะ ต่อหน้าต่อตาทุกคนเลยและไอ้ไอ้ที่ว่าเขาทําให้เพื่อนเขาน่ะเขาก็ส่งรูปมาให้ผมดูอยู่วันนั้นนะครับคือเขาเรื่องว่าเขาหมดทรายนี่กระจุยกระจายออืกระจุยกระจายจนแบบว่าจะต้องบอกว่ายังไงเนี่ยมันไม่เหลือทายเลยตรงนั้นให้ดูว่าเป็นรอยร้าวไกลแต่เขานั่งมองอยู่ไม่มีใครไปยุ่งแล้วมันเป็นอย่างนั้นออืมันก็เลยแบบสรุกก็คือเหมือนเพื่อนเขาเนี่ยไม่ค่อยที่จะไออะไรสักเท่าไหร่แล้วมันมีจุดพลิกอีกจ yeah. ุดหนึ <k va> <k va that that um ่งนะพี่ค คิดพิเศษที่ว่าคือเพื่อนคนหนึงเนี่ยเคยไปนั่งทับในเก้าอี้ที่ห้องเรียนเก้าอี้ตทวนี้ตันั่งโดยพูดคําว่าพวกมึงจะกลัวอะไรกันนะก็น่าวะถ้าพวกมึงกลัวเดี๋ยวกูนั่งเองออืแล้ววันนั้นเขาก็นั่งนั่งเสร็จแล้วเขาก็ฟุบหลับไปกับเขาแต่ปรากฏระหว่างหลับละเมอเหมือนคนร้องไห้แล้วพูดเหมือนว่ากูยังไม่อยากตายยังอยากอยู่กูอย่างนั้นอย่างเงี้ยหลับไปแล้วนะฟุบกระโต๊ะแต่ลราไม่ได้พูดออกมาแล้วประโยคที่ทุกคนลุมถามกัน จับใจความไม่ได้รู้แต่บอกไม่อยากตายกลัวๆพูดมาคำหนึ่งชัดเจนก่อนที่จอกจากร่างของเด็กคนนั้นก็คือบอกว่ากูจะเอาพวกมึงไปด้วยทุกคนเฮ้ยอ <Hey>. oh. ในระยะเวลาถ้าผมไม่แน่ใจจะเป็นอ่าเขาบอกอะไร3ามวันเจ็ดวันแต่ว่า <Hey. S 2> เขาไปดูดวง oh. มานะพอเหตุการณ์ตรงนี้ เขาไปดูดวงมาดูหมอดูอะไรพี่แตอย่างที่เรารู้ว่าทางประเทศเราเนี่ยเขายังมีอะไรที่แบบเจ๋ ง, เงๆเรื่องคนนี้ยอยู่เยอะเขาก็ไปถามมาแบบของจริงที่มีการยอมรับกันทั้ ง, ท, งทั้งประเทศเขา่เขาก็บอกเลยว่าอ๋อไอเอามันเอาแน่แต่มันไม่ต้องกลัวหรอกไอสามวันเจ็ดวันอะไรสิบวันสิบห้าวันมันเนี่ยมันก็เป็นสิบห้าปีสามสิบปีอะไรนะอ๋อผมจำได้สามวันคือสามสิบปีแต่ในสามสิบปีเนี้ยมันจะมีคนที่ตายไปเรื่อยๆนะมึงไม่ต้องตกใจ แตเป็นใครฟูไม่บอกอแล้วผมถามน้องดาวว่าแล้วปรากฏมีคนตายไหมน้องดาวาบอกสามคนแล้วพี่จริงไม่มใช่ครเขาบอกสามคนแล้วนี่มันผ่านมากี่ปีเองอะ่ะเขาบอกว่าตอนนี้มันปีสามเขาบอกว่าเขาทําใจเลยว่า<อ>ในปีเจ็ดปีนี้ยเขาต้องตายอเขาทําใจนะน้องดาวผมเลยบอกว่าคือผมก็พูดทางเรื่องทําไมยเขาฟัง<อ>แต่ว่าบางทีเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปจิตวิตกมากอาจจะเป็นเพราะจิตเราเองว่ามันทําให้เราไปก็ได้นะถ้าเราเป็นกังวลมากอก็คือ ให้ใจนองเข้าไปแล้วคุณคิงบบคุณคิงได้ถามเขาไหมว่าเพื่อนแต่ละคนที่เสียไปสามคนเนี่ยเสียไปด้วยด้วยลักษณะแบบไหนบ้างอ่อันนี้ไม่ได้ถามอะไรขนาดนั้นครับแต่เขาบอกว่าสามคนเนี่ยรู้เลยว่าจะต้องเป็นงนั้นเพราะว่าก่อนจะไปเนี่ยทุกคนจะฝันเห็นคนค น, นี้ทั้งนั้นเลยว่า อ, อย่างคนนี้ก็มาพูดเออเนี่ยให้กูฝันเห็นมันไว้สภาพอ้นี่ตายออืให้กูฝันทําไมสภาอ้นี่ตายแล้วคนที่ตายคนแรกถ้าผมจําไม่ผิดนะรู้สึกจะเป็นคนที่ก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะตายเนี่ยออื คนคนนี้เขาฝันว่าเพื่อนทุกคนในกลุ่มเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันแล้วเขาเอาผ้าขาวมาไล่ปิดหัวคนนั้นคนนี้แล้วปิดไม่ได้แต่พอมาถึงคนที่ตายเนี่ยเขาปิดหัวแล้วเขาบอกเอาไอ้นี่แหละเออเอดีอือแล้วเพทุกคนฝันเหมือนกันหมดแต่คนนี้เป็นคนพูดฝอยเป็นคนนี้เป็นคนพูดคุณเป็นคนนี้จะตายเป็นคนแรกเลยเออโอ้โหจนเขามาเอาไปทีละคนทีละคนทีละคน อ, อ๋อเฮ้ยแล้วพี่แจ๊คเมื่อกี้ผมฟังอยู่เรื่องที่ว่ามีเสียงแปลกพี่แจ๊ครู้ไหมผมอยากให้พี่แจ๊คคุยกับน้องเขามากเลย ในคณะที่ผคุยกับน้องเขาน้องเขาอยู่คนเดียวนะพี่แต่ผมได้ยินเสียงผู้ชายตลอดจะพูดคำว่าอืมครับแล้วเมียนอยู่อันนึ่งเขาพูดคำว่าน้มๆอย่างนี้เลยนะผมอันนี้ผมไม่ได้ลา ม, มกนะแต่น้องเขาพุ่พูดว่ามันเป็นอย่างไงพี่ต้องทิ้งมาตรสติลา ม, มกทะลึงทะลึองอยู่กับหนูเนะี่ยเป็นอย่างนี้แหละถ้าพี่ได้ยินงี้ไม่ผิดแล้วและทุกครั้งที่น้องเา้เาว่าผมจะยินเสียงผู้ชายคนนี้ พอผมบอกว่าได้ยินเสียงผู้ชายปุ๊บทั้งฝั่งน้องเขาก็คือน้องเขาเพิ่ ง, งจะได้ยินจากปากผมใช่ไหมแต่หมาทางฝั่งเขาว่ะจะหอนทุกครั้งเลยไม่หอนก็เห่ากระโชกอะไรสักอย่งยางเลยทั้งๆที่เขานั่งอยู่คนเดียวเฮ้ยเดี๋ยนะคือ น, น้องเขาอยู่ลาวใช่ไหมใชยใช่ถ้ามัเป็นไปได้ไหมคุณคิงคือสายทางไกลมันเปนเสียงแทกมันมันเป็นจังหวะที่ผมพยายามจับดูว่าเสียงมันจะตกไหม หรือว่าเป็นเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไหมเพราะเราโทรทางไลน์เชนเจอร์แต่ปรากฏ ว, ว่ามันไม่ใช่อ่ะพี่แจคือมันมันไม่ได้เสียงกระตุกเรามองมันไม่แล้วมันเป็นเสียงผู้ผชายพูดแบบถ้ามันกระตุกมันจะต้องเป็เสียงเป็นอย่างอื่นไปว้าเป็นแบบวัด อ, อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันเป็นเสียงผู้ชายคนเดียวและคนเดิมและพูดอย่าง อย่างสมมติถ้าผมพูดกับน้องเขาว่าอย่าพึ่งคิดมากพึ่งอะไรเงี้ยถ้าเรามีเรื่องอะไรเราเล่ามาได้เลยนะเดี๋ยวพี่ก็จะไปแชรให้แล้วพี่จะลงเพจพี่เลยนะเราไม่ว่าอะไรใช่ไหมมีเสียงผู้ชายพูดว่าครับเล่าเลยครับเสียงพู้ชายชัดอย่างนั้นเลยคุณพี่ชัดชัดครับชัดผมถามน้องดาอยู่ใครผมถามหนูอยู่คนเดียวพี่อิงในบ้านนอนกันหมดแล้วเมื่อกี้นี่มีเสียงผู้ชายพูดนี้เขาก็จะนิ่งอึ้งไว้นะเพราะว่าเขาก็เสียวพอสะพ้ายมันก็เปเสียงโน้มโน้มนมหูเฮ้ย อขาพูดอยู่แล้วเนี่ยครับผมก็เลยบอกเอางี้น้งดาลลงเล่าไปเรื่อยนะพี่จะดูสัญญาณเน็ตทั้งท้งฝั่งพี่แล้วก็มองฝังเราด้วว่าชัดไหมมันเป็นหมดแล้วเราในขณะที่เราฟังเขาเล่าไปเนี่ยพี่มันจะเป็นเสียงพูดอืมบานทีก็อหมือนในเงี้ยครับตลอดแล้วถ้าพี่แจ็เข้าไปดูในเฟซบุ๊กในในยูทูบพี่ว่าผมผมผมทําเรื่องผีแล้วแล้วน้องเขเล่าอ่ะนะพี่พี่แจ็คจะได้ยินเสียงผู้ชายแทรกด้วยจริงป่ะเฮงเหรอ น้องดาครั บ, รบน้องดาที่อยู่ในอ่าตอนเนี้ยคือน้องดาดูอยู่นะครับน้องคอุชารดาเนี่ยนะครับคอนเะฟิร์มพิธีแต่ถ้าฟังอยู่นะตอนนี้นะคอนเฟิร์มพิธีว่าที่พี่คิงเล่ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงใช่ไหมที่บอกว่าน้องดายืนยันเองว่าเหมือนกับน้องดาเขายังรู้สึกอยู่ว่าเพื่อนเขาคนเนี้ยยังอยู่ใกล้ๆเหมือนน้องดาเขาเขารู้สึกเหมือนน้องดาเขาชินกับเพื่อนคนนี้นะเพราะว่าจากที่คุณคิงเล่ามาเมื่อสักกี้เนี้ยมับ ก็อย่างนี้แหละมันก็อยู่ใกล้ๆหนูก็ทื่อแบบนี้แหละครับน้องดาคอนเฟิร์มพี่หน่อยเดี๋ยวจะ้น้องดาคอนเฟิร์มได้เลยว่าตอนนี้รถตังพี่อยู่ใช่ใช่ผมเห็นอยู่ผมเห็นข้อความที่ที่ขึ้นมาอยู่เดี๋ยวเ้าคงตอบมานะครับครับเอ่อตอนที่คุยกับน้องครับคุณคิงใช้อะไรคุยคุยไลน์อ่าระบบไลน e เป็นเฟซเมสเซนเจอร์ะหมายถึงว่าเป็นเฟซเมส e ซน e จอร์โทรคุยกันใช่ครับโอ้โหแล้วมันมี้ไอตอนที่ว่าผมลงใน u t u b e อ่ะดิแดน มันจะเป็นลักษณะของการที่ว่านาทีที่ชั่วโมงกับยี่สิบแปดนาทีมันจะเป็นคําว่ามันจะเป็นเหมือนกับน้องเขาพูดเลยรสักอย่างนย่างเช่ว่าเนี่ยพี่มันมีผู้ชายตัวใหญ่นะมันจะมายืนหน้าเราสิบล้อหนูแล้วมันก็เป็นเสียงแบบเอืมขึ้นมาชัดครับแล้วมันอืมันจังหวะมันเหมาะกับไอเน็ตมันกระตุกนิดนึงมันกลายเป็นเสียงเ้าะเขาแบบปุ๊ผมก็เลยถามน้องดามันเป็นไปได้มั้ยว่าเป็นเน็ต นาทีที่หนึ่งชั่วโมงยี่สิบเก้าต่อมาอมันเป็นเสียงที่น้องดาเขากำลังพูดอยู่เขากำลังพูดอยู่นะแต่มันมีเสียงถอยใจแรงๆ แ, แบบแทรกเข้ามาเลยอ่ะฮะใช่และน้องดาเขาบอกว่าพี่หนูถอนหายใจเองห ร, รือเปล่าผมเลยถามว่าคนเราที่พูดด้วยและถอนหายใจแรงๆนั้น่ะใครทําได้บ้างไม่มีหรอกฮะไม่มีใช่ <idal> แต่มันเป็นจังหวะที่น้องดาเขาพูดเราไปฟังดูครับ น, น้องดาเขาพูดแล้วมันจะเป็นเสียงถอนใจแบบเหมือนแบบจงใจให้ราได้ยินเลยนานเลยอืมอือม นะฮะน้องดาคอนเฟิร์มมาแล้วน้องดาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าจริงฮนะจริงค่ะครับผมนะฮะน้องสุชาดานะครับที่ตอนนี้กําลังดูไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจอยู่นะครับน้องดาตอนนี้อยู่ที่ประเทศลาวนะครับนี่คือครเรื่องที่คุณคิงกําลังเล่าอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของน้องดาคนเนี้ยที่เขาถ่ายทอดให้กับคุณคิงได้ฟังนะฮะเอาแล้วทุกวันนี้เขาเข า, เขาทําไงอะ่ะปล่อยไปตามอย่างนี้เหรอไม่ไม่ไม่แก้ไขอะไรไงไงบ้างเหรอน้องเขาบอกว่าเขาทำเท่าที่ทําได้ในตอนนี้คือแค่ปิดไม่ให้มายุ่ง ถ้าเจออย่างเงี้ยจะเจออย่างเช่นว่าบางทีเขาจะทําอะไรอะ่ะมันจะมาพูดแซะให้เขาขี้มันจะมีตัวที่ดีอย่างไม่ดีเนี่ยไอ้ที่ดีบอกว่าอันเนี้ยอย่าทำน ะ, ะแต่ไอ้ตัวที่ไม่ดีคือทำไปเรื่อยยุ่ทรงเลยทําอะไรก็ท้ายที่ไม่ดีจะเป็นตลอดแล้วเรื่องอาการป่วยของหมที่เป็นมาตีเดียรน่นะพี่แจที่เหมือนกับว่าเขาบ่งมันเขาเป็นโรคกระตากไปเลยอื่อเพื่อนเขาเข้าใจว่าโรคติด เพื่อนเขาเองก็คอนเฟิร์มมาด้วยนะว่าก็รู้เรื่องที่ว่ามันป่วยอยู่เป็นว่าใช้คำนี้นะก็รู้เรื่องที่ว่ามันป่วยอยู่แต่ไม่คิดว่าเป็นเรื่องนี้จนเอามาถ่ายทอดให้พี่ฟังแล้วพี่มาเล่านี่แหละครับอู้หโอ้เฮ้ยฟังแล้วมันผมว่ามันมันหนักนะสาหัสอยู่เหมือนกันนะคุณคิงนะหนักมากมีกับน้องคนที่เขาโดนแค่ลุงคนเดียวลุงคนเดียวที่ทําให้น้องเขาผันเปลี่ยนชีวิตไปตลอดจากการจะทําแบบผมขอบูดเลยว่าแกช่วยที่แกเอาตัวเองแบบว่า ถ้าแกคิดว่ไม่ไหวแกน่าจะไปพึ่งใครก็ได้ที่เส็งๆน่ะเอ้ยว่าเจ๋งคนเนี้ขอขอหน่อยเลยไม่ใช่ว่าแกเอาซื้อใครคนใดคนหนึ่งเขาไปยุ่งแล้วแบบให้ไปเดือดร้อนจนเป็นเหมือนจะเป็นบ้าเลยถูกต้องถูกต้องผมคิดส่วนตัวผ ม, ม น, นะนะแกคือคนเรามันคิดไม่เหมือนกันลนะคุณคิงเนาะเขาอาจจะวุธิภาวะความคิดของเขาอาจจะโทษนะฮะอาจจะด้อยอาจจะต่ําคือคิดได้แค่คนั้นนะ่ะเอาอะเอ้ยเอาคนไม่รู้เรื่องดีกว่าจะได้อ่าจะได้ปกคลองง่าย อะไรอย่างเงี้ยสั่งการง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วน่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่แบบโอ้มันมันไม่น่าทําแน้วันนึงนะผมว่าแกคงจะได้รับผลกรรมของแกที่แกทำเอาไว้มาแน่นอนอยู่แล้วนอ่เพราะว่าไอ้พวกนี้มันก็เหมือนจะมาเฟียเราพูดกันแบบตรงๆเลยว่าผมเชื่อว่าถ้าขึ้นหลังหๆมาแล้วมันก็ไม่ให้ลงหรอกวันหนึ่งถ้าแกจะถอนตัวมันก็เอาตายอยู่ดีใช่ความคิดของผมนะในแง่นี้นะครับ เออได้ไดเดี๋คุคิงมาได้นานได้แค่ไหนฮะ ถ, ถูกต้องคุณคิงครับเวลานเราน้อยแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้นิดหนึง่งเดี๋ยวคุณคิงรบกวนสง <c oughs> ่งลิงก์ u t u b e ที่คุณคิงบอกเมื่อกี้เข้ามาทางอินดัสของทางแฟนเพจก็ได้แต่ผมจะได้เอาไปแปะหน้าแฟนเพจของ The Ghost Radio ให้ทุกคนลองเข้าไปฟังกันดูแล้วลองพิจารณากันเองดูว่าสิ่งที่คุณคิงเล่ากับเสียงที่คุณผู้ฟังได้ยินใน youtube เนี่ยมันเป็นยังไงให้คนฟัง <c oughs> ตัดสินเองน่าจะโอเคกว่า อ๋อเราจะไม่ชี้นำนะครับเราจะไม่ชี้นํานะครับว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผีหือว่าอะไรคุณผู้ฟังตัดสินเองนะฮะแต่รบกวนคุณคิงส่งลิงก์นั้นมาให้ผมทีทางอินบ็อกซ์ได้เลยพี่อยากฟังเหมือนกันผมจะได้เอาเอาไปทั้งฟังทีขับรถกลับก็ผมจะลองเปิดฟังดูด้วยมันจะเป็นมันจะเป็นช่วงนาทีเอหนึ่งชั่วโมงยี่สิแปดนาทีแล้วก็เสรวินาทีกว่ากหน่อยหน่อยโอหนึ่งกับห่งชั่วโมงยี่สิบเก้านาทีแล้วก็เสรหน่อยหนอยเค็นช่วงนาทีเดียวต่อกันน เริ่มที่ 1.28 เนาะครับผมโอเค1ชั่วโมง28นาทีโอเคฮะได้ฮะยังไงคุณคิงฝากส่งลิงก์มาให้ผมนิดนึงนะได้ครับพี่แจคขอบคุณคิงขอบพระคุณมากมากครับที่มาครับรักษาทอดประสบการณ์อีกแล้วครับดี่เสมอเลยพี่ครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคุณคิงนะครับอย่าเกินกันครับรักษาสุขภาพนะครับพี่ครับผมสวัสดีครับ